คนมีปัญญาแม้แต่ทุกข์ก็เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้ความจริงตอนนี้ถึงเวลาที่จะพูดถึงเรื่องคุณและโทษของความสุขแต่ขอพูดเรื่องทุกข์แทรกขั้นซะก่อนเพราะผ่านทุกข์แล้วจะได้มีแต่สุขและทุกข์นั้นก็มีทั้งคุณและโทษที่ควรจะพูดเช่นกันทุกข์นั้นเราไม่ชอบ เพราะมันบีบคั้นทําให้อึดอัดติดขัดคับข้องนี่คือความหมายของทุกข์จึงเป็นธรรมดาว่าคนเจอทุกขย่อมไม่ชอบใจแต่คนมีโยนิโสมนสิการสามารถเอาประโยชน์จากทุก์ได้ทําได้อย่างไรบอกแล้วว่าทุกเป็นสภาพบีบคั้นเมื่อมันบีบคั้นคนก็อึดอัดขัดข้อง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 ก็ได้แก่ระบบแข่งขันของสังคมตะวันตกที่กำลังแผ่ขยายไปครอบงำโลกทั้งหมดเป็นโลกาภิวัตนี่แหละระบบแข่งขันก็คือเอาทุกขมาบีบทำให้คนต้องดิน้นและระบบแข่งขันนี้ซ้อนไว้กับระบบตัวใครตัวมันคือปจเจกชนนิยมอย่างเข้มเมื่อดิ้นรนไปก็หวังพึ่งใครไม่ได้ด้วยทำให้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและใช้พลังเต็มที่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 จึงใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และเราก็ต้องเอาประโยชน์จากทุกให้ได้นี่แหละท่านจึงให้หลักว่าคนมีปัญญาแม้เจอปัญหาประสบทุกก็สามารถมีความสุขได้ถึงแม้อยู่ท่ามกลางทุกก็ต้องรู้จักมีความสุขได้ด้วยเป็นอันว่าเอาประโยชน์จากทุกให้ได้ทุกก็จะมีทางเป็นคุณดังว่ามานี้